จเจริตอนท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26่พฤษภาคมพุทธศักราชสองพนห้าร้อยห้าสิบหกเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของตนชีวิตของการชีวิตของมนุษย์นี้เป็นชีวิตที่ประเสริฐอย่างยิ่งเป็นเหมือนลดขับเครื่องสีล่ล้อกับอสยูวีรถโฟร e วีลด i ้ e สามารถไปได้ทุกแห่งทุกคน ขึ้นเขาลงห้วยไปได้หมดชีวิตของมนุษย์ก็สามารถไปได้ทุกภพทุกชาติไปสวรรค์ไปนิพพานก็ไปได้ไปนรกไปอบายก็ไปได้อยู่ที่คนขับว่าจะเลือกไปทางไหนเท่านั้นเองคนที่เจราก็จะเลือกไปทางสวรรค์ไปทางนิพพานคนที่โง่ ก็จะเลือกไปทางอบายไปทางนรกจะฉลาดหรือโง่ก็อยู่ว่ามีคนสอนที่ฉลาดหรือคนโง่สอนถ้าคนฉลาดสอนก็จะสอนให้ไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าคนโง่สอนก็จะสอนให้ไปอบายไปนรก ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้คบคนฉลาดอย่าคบคนโง่ดังในสุภาษิต ท, ที่ทรงตรัสสอนด้วยว่าอาเสวนาจบาลานาบันฑิตานันจเสวนาการไม่คบคนผ่านคนโง่เป็นมิตรการคบคนฉลาดคบบันดิตเป็นมิตรเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะถ้าคบกับคนมั่คนพานก็จะถูกเขาลากจูงไปในทางอบายไปทางนารกถ้าคบกับบัณฑิตคบกับคนฉลาดเขาก็จะลากจะดึงให้เราไปทางสวรรค์ไปทางนิพพานคนที่ฉลาดที่สุดในโลกนี้ก็คือพระพุทธเจ้ารองลงมาก็คือพระอาหลานตาสาวกทั้งหลาย ลองลงมาก็คือพระอนาคามียาะสกิดาคามีพระโสดาบันลองลงมาก็คือพระผู้ทรงศีลทรงธรรมพระผู้ได้บรรลุฌานสมาบัติลองลงมาก็คือพระที่ทรงศีลปฏิบัติในกรอบของศีลธรรมอันดีงามของพระพิกธุ ลองลมาก็คือคนที่คนดีปุตุชนคาราวะญาติโยมที่ถือศีลที่ทำบุญให้ทานบุคคลหลังนี้เรียกว่าเป็นคนดีถ้าคบกับบุคคลหลังนี้เขาก็จะดึงให้เราไปในทางที่ดีจะดึงไปได้สูงมากน้อยก็อยู่ที่ขอบภูมของเขา อยู่ที่ความรู้ความฉลาดของเขาถ้าพบกับญาติโยมคนดีทาบุญให้ทางรักษาศีลเขาก็จะชวนเราไปสวรรค์เขาก็จะชวนให้เราทาบุญชวนให้เรารักษาศีลถ้าได้พบกับนักบวชพบกับพระเขาก็จะชวนให้เราไปสวรรค์ชั้นผงถ้าได้พบกับพระโสดาบัน เขาก็จะพาให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานขั้นที่หนึ่งขั้นที่มีพพชาพหรือไม่เกิดเจตชาเป็นพบที่เป็นขั้นที่ไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปพอได้เข้าถึงขั้นพระอริยเข้าสู่ขั้นมรรคผลนิพพานก็จะปติก็จะปิดประตูของอบายได้อย่างถาวร ผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งจนถึงขั้นที่สนี้จะไม่ไปเกิดในอบายอีกต่อไปแต่ยังมีภพชาติเหลืออยู่ตามกำลังของอกิเลสตัณหาที่ยังไม่ได้ถูกทำลายให้หมดไปพระโสดาบันนี้ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก ขั้นที่สองคือพระสกิราคามีก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงอีกครั้งเดียวเป็นอย่างมากและขั้นพระอนาคามีนี้ก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะไปเกิดเป็นพรหมอยู่สวรรค์ชั้นพรหมและก็จะปฏิบตัติต่อไปจนได้ถึงพระนิพพานส่วนพระอาหารหันต์นี้ได้ถึงพั้นนิพพานแล้ว ไม่ต้องกลับมาเวียน่ายตาเกิดเดกต่อไปไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพราดจากสิ่งที่รักจากบุคคลที่รักนี่คือทางของบัณฑิตทางที่พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาววพระอนาคามมพระสติดาคามีพระโสดาบันจะพาเราไปจะเดินลงไป ถ้าเราได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะมีะมักคุเทศเหมือนกับเวลาเราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมักจะมีมักคุเทศนําทางพาเราชมสถานที่ต่างๆได้อย่างมีรสมีชาติถ้าเราไปเที่ยวเองโดยไม่มีมักคุเทศเราก็จะเที่ยวแบบไม่รู้เรื่องรู้ราา ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมีความเป็นมาอย่างไรมีคุณมีโทษอย่างไรนี่คือบันดิตที่เราควรเข้าหาคือพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกและพระอริยบุคคลท่านต่างๆถ้าเราไม่สามารถหาท่านเหล่านี้ได้ก็ให้เข้าหาพระผู้ทรงศีลผู้มีกิริยา ว่าจาที่สงบผู้ที่มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิท่านก็จะสามารถสอนให้เรารักษาศีลสอนให้เราทําสมาธิทําใจให้สงบได้แต่ท่านจะไม่สามารถสอนให้เราบรรลุนับผลนิพพานได้ท่านจะสอนให้เราไปได้สวรรค์ชั้นขงชัน้นลูก รูปประพรมและอารูปประพรมเหมือนกับอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองรูปที่พระพุทธเจ้าได้ส่งไปศึกษาตอนที่ก่อนจะตรัสรู้พระองค์ก็ต้องศึกษาจากผู้ก็มีอาจารย์สองรูปที่สอนให้ไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมเท่านั้นเพราะอาจารย์สองรูปนี้ยังไม่รู้จากทางที่จะพาไปสู่มรรคผลนิพพาน เพราะผู้ที่จะรู้ทางสู่มรรคผลนิพพานได้ด้วยตนเองจำเป็นจะต้องมีบุญบารมีมีปัญญาบารมีที่แ ก, ก่กล้าเป็นภาพโพธิสัตว์ที่ได้บำเพ็ญบุญบารมีมาอย่างโชคชนอย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอย่างสมณะโคดมพอ พระพุทธเจ้าคือส ม, มณะโคดมไม่สามารถศึกษาทางที่จะพาไปสู่พระนิพพานจากผู้ใดไดแ้แล้วท่านก็เลยต้องค้นคว้าหาได้ด้วยพทะเองจนในที่สุดก็ได้พบทางสู่มรรคผลนิพพานบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือความประเสริฐของพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลหนึ่งไม่มีสอง ในไตยโลกกถาไม่มีใครเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะตัดสรุถึงพระนิพพานได้ด้วยตนเองมีบุคคลอย่างพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นแต่พอท่านได้ตัดสรุแล้วท่านก็สามารถช่วยสัตว์โลกที่ไม่มีความสามารถที่จะรู้ได้ด้วยตนเอง ได้รู้ได้ตัดสรู้ได้บรรลุมักผลที่ผานการเป็นจำนวนมากเพราะถ้ามีผู้รู้เพียงคนเดียวก็พอแล้วมีผู้นำทางคนเดียวคนอื่นเพียงแต่เดินตามเท่านั้นเองไม่ต้องไปคาหาทางคมแบบผิดผิดถูกๆผู้ที่ไม่รู้ทานก็เหมือนกับคนตาบอดดีๆนี่ส่วนผู้รู้ทางก็เป็นเหมือนคนตาดี คนตาบอดถ้ามีคนตาดีนำทางก็จะสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าของพวกเราจึงเป็นเหมือนคนตาดีพวกเราจึงเป็นเหมือนคนตาบอดถ้าเราไม่เชื่อคนตาดีเราไม่เข้าหาคนตาดีแล้วเราจะไปถึง ทางที่เราจุดหมายปลายทางที่เราอยากจะไปกันได้อย่างไรพวกเราทุกคนอยากจะมีความสุขอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ทุกวันนี้ทำไมเราจึงยังมีความทุกข์กันอยู่ความสุขที่เรามีก็มีเดียวเดียวแล้วก็จางหายไปต้องคอยหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆ เ, เป็นความสุขกอง ถ้าความสุขจริงมันต้องไม่เติมไม่ต้องไม่เพิ่มได้มาแล้วนะก็ต้องอยู่กับเราไปอย่างถาวอนผู้ที่พบ ค, ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวอนก็คือพระพุทธเจ้านี่เองแล้วหลังจากนั้นก็เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกตาบอดอย่างพวกเราผู้ที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามคาสอนของพ่ะพุทธเจ้าได้ ก็สามารถบรรลุถึงความสุขที่แท้จริงที่ถาวรนี้ได้การที่จะไปถึงความสุขที่แท้จริงที่ถาวรนี้ต้องเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินมา <c oughs> ก็คือการทําทาน <c oughs> การรักษาศีลและการภาวนานีเ่เราต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูจํา ดูศึกษาพุทธประวัติว่าพระพุทธเจ้าทำทานอย่างไรพระพุทธเจ้าทาทานด้วยการส ล, ละราชสมบัติเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่พระองค์มีอยู่ทรงสละบทดเลยไม่เอาอะไรเลยเสื้อผ้าอาภรณ์ข้าวของตา่างๆไม่เอาอะไรเลยเอาเพียงแต่เสื้อผ้าเพียงชุดเดียว ที่ติดที่นุ่งที่สวนใส่ติดกับพระองค์ไปเวลาที่เสด็จออกจากพระราชวันพระองค์ทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่พระไหมเหสีพระราชโอรสก็ไม่เอาติดตัวไปด้วยนี่แหละคือการทำทานของพระพุทธเจา้าการทำทานของผู้ที่จะไปสู่มรรคขอนิพพาน ต้องไม่เอาอะไรติดตัวไปด้วยเลยไปเหมือนคนตายคนตายนี่ก็เอาอะไรไปไม่ได้พวกเราถ้าคิดอย่างนี้เราก็จะสลับกันได้ที่พวกเราไม่สละกันก็ยังไม่เพราะว่าไม่ได้คิดว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องตายกันเวลาเราตายเราต้องสละทุกสิ่งทุกอย่าง แต่สละแบบจำใจสละไม่สละด้วยความยินดีด้วยความพอใจการสละแบบนี้เป็นการสละแบบทุกทรมานใจและเวลาไปก็ไม่ได้ไปสู่พระนิพพานไปตามบุญตามกรรที่ได้ทำเอาไว้ในภพนี้และในภพต่างๆที่ยังไม่ได้แสดงผลนี่คือการไปของพวกเรา การทําทานของพวกเราทําทานด้วยความจําใจทําทานเพราะว่าเอาไปไม่ได้แล้วก็เลยต้องทิ้งเอาไวจึงไม่ได้รับอ น, นิสงส์จากการทําทานแบบนี้ถ้าอยากจะได้รับอ น, นิสงส์ <c oughs> ก็ต้องทําทานแบบพระพุทธเจ้าถ้าทําทานแบบพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้ออกบวชได้นั่นเองทุกวันนี้ที่เราออกบวชไม่ได้ ออกไปปฏิบัติธรรมไปรักษาศีลไปภาวนากันไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังสลับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไม่ได้นอกจากสลับไม่ได้แล้วยังอยากจะได้มากกว่าที่มีอยู่นี่เสียอยีกด้วยซ้ำไปความโลภอยากได้เงินทองนี่แหละเป็นตัวที่จะผูกมัดใจของเรา ให้ติดอยู่กับวัตตะสงสารวัตตะแห่งการเวียนว่าตายเกิดตายไปกี่ครั้งก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อจะได้มาหาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองใหม่พอหาได้มาแล้วก็ต้องทิ้งไปเวลาที่ตายจากโลกนี้ไปก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ทําอย่างนี้มานับไม่ถ้วนแล้วแล้วก็จะทําอย่างนี้ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ถ้ายัางไม่ได้ทำตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทำกันก็คือต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วก็บวชกันจะบวชเป็นพระก็ได้บวชเป็นภิกษุณีก็ได้บวชเป็นชีก็ได้บวชเป็นสัมมาเนกก็ได้บวชเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ได้เหมือนกันเป็นการบวชเหมือนกัน เป็นการออกจากการหาเงินหาทองไม่มาติดกับของกับของการหาเงินหาทองถ้าทำทานได้ออกบัวได้ก็จะหลุดจากกับดักหนึ่งกับแล้วก็คือกับของการหาเงินหาทองกับของการใช้เงินใช้ทองพอออกจากกับที่หนึ่งได้ก็ไปดิ่นออกจากกับที่สองคือกับที่ ที่อยากจะทำบาปต่างๆอยากจะฆ่าสัตว์อยากจะลักทรัพย์อยากจะประพฤติผิดประเวณีอยากจะพูดปดเสพสุรายาเมา <c oughs> ก็มาถือศีลห้ากันมารักษาศีลห้ากันก็จะหลุดจากกับของการกระทำบาปได้ <c oughs> แล้วก็มารักษาศีลแปดเพื่อจะได้หลุดจากกับของกามตาัญหา คือความอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายได้ถ้าถือศีลแปด ก, ก็จะไม่เจ็บกลางจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครจะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบเขตรับรับประทานตามความอยากจะไม่รับประทานแบบนี้จะรับประทานตามความต้องการของร่างกายเหมือนกับการรับประทานยา รับประทานตามเวลาไม่ได้รับประทานเพื่อให้มีความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานด้วยความจำใจไม่ได้รับประทานด้วยความอยากรับประทานแล้วก็ไม่หาความสุขทางตาหูจมูกริมกายจากสิ่งบันเทิงต่างๆเช่นดูภาพยนตร์ดูละครร้องลำมทำเพลง เราก็ไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาปอชื่อสวยงามไม่ใช้เครื่องสำอางต่างๆมาตุงแต่งมาปรับแต่งร่างกายให้ดูสวยงามเพราะเป็นความสวยงามปลอมไม่ใช่เป็นความสวยงามที่แท้จริงพอเหงื่อออกมาพอผมเภายุ่งความสวยงาม ก็จะหายไปพอกินต่างๆออกมาความสวยงามความหน้าดมของร่างกายก็จะหายไปเพราะร่างกายนี้โดยธรรมชาติของเขาไม่สวยงามต้องคอยมาแต่งมาโปะอยู่เรื่อยๆต้องมาตกมาแต่งมาทำสัญญากรมมาย้อมผ้ามอ้อมผมมาใช้เครื่องสำอางโปกปิด ส่วนที่น่าเปลียดต่างๆทำไปก็เท่านั้นเอยไปเปล่าๆอย่าไปหาความสุขแบบนี้แล้วก็จะไม่หาความสุขจากการหลับนอนบนฟูกหน า, หน า, หน า, หนาๆนอนนานๆจะนอนเท่าที่ร่างกายต้องการถ้านอนบนพื้นแข็งเช่นพรมพื้นไม้ร่างกายจะนอนไม่นาน พอร่างกายพักได้สักสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายแต่ถ้านอนบงฟูกหนาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่ยอมลุกจะนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงก็จะเสียเวลาอันมีค่าในการที่จะเอามาบาเพ็ญปฏิบัตธิธรรม ขั้นที่สเพื่อกำจัดกับดักของติเลตนาที่ยังมีหลงเหลืออยู่ภายในใจให้หมดไปด้วยการภาวนาด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรมการนั่งสมาธิเดินจงกรมก็เพื่อควบคุมใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไม่ให้คิดเลือเ่อยเกยให้ควบคุมใจให้คิด ในสิ่งที่จะทําให้ใจสงบเช่นให้คิดคําว่าพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆถ้าคิดอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆใจจะว่างใจเย็นจะสบายเวลานั่งหลับตาใจก็จะสงบนิ่งพอใจสงบนิ่งแล้วก็จะได้ความสุขระดับพระนิพพานความสุขที่เกิดจากความสงบ เพียงแต่ว่าเป็นพระนิพพานชั่วคราวเพราะความสุขความสงบที่ได้จากสมาธินี้ยังไม่ถาวรสงบอยู่ในสมาธิได้ระยะหนึ่งแล้วใจก็จะถอนออกมาพอถอนออกมาก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความอยากเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญามาคอย กำจัสอนใจให้รู้ว่าอย่าทำตามติเลตัญหาเพราะทำแล้วจะไม่มีวันสิ้นสุดทำเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันอิ่ไม่มีวันพอวิธีที่จะพบกับความสุขที่อิ่มที่พอ<ม>ก็คือต้องไม่ทำตามความอยากไม่ทําตามความโลภตา่ตางๆ<ม>เพราะว่าสิ่งที่ความอยากความโลภอยากได้มานั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปก็ต้องหามาใหม่ความสุขที่ได้จากสิ่งที่เราได้มาพอเขาหมดไปความสุขที่ได้มาก็หมดไปก็ต้องคอยหาหมหอยู่เรื่อยๆถ้าหาไม่ได้ก็จะวุ่นวายใจทุกข์ใจสู้อยู่กับความสงบดีกว่า อย่าไปอยากอยากไปได้อะไรอยาไปโลกอยากได้อะไรแล้วใจจะไม่วุ่นวายใจจะสงบจะเย็นจะสบายจะมีความสุขไปเรื่อยๆไม่มีวันเส้นสุดนี่คือการปฏิบัติเพื่อพาให้ใจได้ไปสู่สวรรค์ได้ไปสู่มากคผลนิพพานขั้นต่างๆ ต, ต, ตามกำลังของการปฏิบัติ ถ้าทำได้ทาทานได้รักษาศีลได้ก็ไปสวรรค์ก่อนถ้านั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก็ไปสวรรค์ชั้นพรมก่อนถ้าพิจารณาใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความโลภหยุดความอยากได้ก็จะไปพระนิพพานาไปมรรคผลนิพพานขั้นต่าง ทำไปเรื่อยๆก็จะไปถึงขั้นสูงสุดขั้นของพระอาหารหันต์ขั้นของพระพุทธเจ้าอันนี้พอถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปอางานของเราหมดแล้วใจของเราได้สำเร็จประโยชน์สูงสุดแล้วทำอีกต่อไปก็จะไม่ได้อะไรเพิ่มมากขึ้นไปมากกว่านี้เหมือนเติมน้ำ พอเติมเติมตุ่แล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำเข้าไปอีกเติมไปเข้าไปเท่าไหร่ก็จะล้นออกมาจะได้เท่าเท่านั้นใจของเราเมื่อมีความสุขเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรต่อไปไม่ต้องทําบุญไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องภาวนาแต่ถ้าจะทําก็ไม่ได้ทําเพื่อเพิ่มความสุขแต่ทําเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่น เช่นสงเคราะห์โลกมีเงินทองเหลือใช้เหลือเก็บเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็ไม่ได้เอาไปก็เอามาสงเคราะห์โลกสงเคราะห์ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนศีนก็รักษาไปเพื่อไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นภาวนาก็เป็นเพื่อการพักผ่อนจิตใจพักผ่อนร่างกาย ที่จำเป็นจะต้องมีการพักผ่อนใจถ้าใช้ความคิดมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นความคิดในทางของความโลภความอยากก็มีความเหนื่อยได้เหมือนกันก็จำเป็นที่จะต้องหยุดพักผ่อนจะพักผ่อนด้วยการนั่งสมาธิกะได้หรือจะพักผ่อนด้วยการหลับนอนที่เป็นการพักผ่อนของร่างกายและจิตใจ ไปพร้อมๆกันก็ได้พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านยังภาวนาอยู่ท่านยังเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่แต่ท่านไม่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันเต็มแล้วเต็มหัวใจแล้วที่เดินจงกรม ก, ก็เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ ร่างกายต้องมีการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสําหรับนักบวชก็คือการเดินจมกลมนี้เองอา น, นิสงส์ของการเดินจงกลมนี้จะทำให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโลกภัยไม่เบลียบเบียงมีอายุยืนยาวนานเวลาหลับนอนก็หลับได้อย่างรวดเร็ว น, นี่คือ การเดินจงกรมการนั่งสมาธิของภระขีณาสพของพระอรหันต์ของพระ พ, พุทธเจ้าท่านไม่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเหมือนพวกที่ยังปฏิบัติทำช้ำละ ก, กิเลสอยู่ผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่การเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เพื่อกำจัด ก, กิเลสตัณหานี้เองเดินจงกรมก็ใช้ การเจริญสติ ค, ควบคุมความคิดเพื่อทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็จะได้ใช้ปัญญามาฆ่ากิเลสมาตัดตัณหาให้หมดไปจากใจพอไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วก็ไม่ต้องฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาอีกต่อไปไม่ต้องปฏิบัติธรรมอีกต่อไป จะยังเดินชมพยังนั่งสมาธิต่อไปเพื่อรักษาใจรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรนี่คือการเดินชมงคงูนั่งสมาธิของผู้ปฏิบัติกับของผู้ที่ไม่ปฏิบัติแล้วมีเป้าหมายไม่เหมือนกันผู้ปฏิบัติมีเป้าหมายอยู่ที่ค่าค่าติเลตตัญหา ผู้ที่ได้ค่ากิเลสตัณหาหมดไปแล้วก็เป็นเพื่อการรักษาร่างกายและจิตใจให้อยู่เป็นปกติให้อยู่ถึงเวลาอันสมควรเพื่อจะได้ทําประโยชน์ให้แก่ผู้ได้อย่างสะดวกไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเป็นอุปสรรคขวางกัน้นนี่คือเรื่องของการที่เรา ได้ครบบัณฑิตเรามีรถเอสยแล้วเรามีรถโฟล์ววแล้วเราสามารถไปได้ทุกคนทุกแห่งแล้วแต่เราไม่มีผู้นาําทางเราไม่มีแผนที่เราไม่รู้ว่าทางที่จะพาให้เราไปสู่สวรรค์พาให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานไปตรงไหนไปอย่างไรเราต้องอาศัยผู้ที่ไปมาแล้ว คือพระพุทธเจ้าและพลระอรหันตสาวโกทั้งหลายเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวโด้วยการฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมของพอระอรหันตทั้งหลายพอฟังธรรมแล้วเราก็จะได้ความรู้ได้ได้มีผู้บอกทางให้แก่เรารู้ว่าทางที่เราจะไปต้องไปตรองไปทิศไหน พอเรารู้แล้วทีนี้เราก็ขับไปตามทางที่เราได้รับรู้มาก็คือทำทานอย่างเต็มที่ทำทานให้หมดเพื่อเราจะได้ออกบวนจะได้รักษาศีลได้บริสุทธิ์จะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมเจริญสมถะภาวนาและ ว, วิปัสสนาภาวนาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ถ้าเราทําอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าทรงรับรองไว้แล้วว่าไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากไม่ต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องบําเพ็ญบารมีเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้บําเพ็ญมาเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนนั่นเองก็เลยต้องบําเพ็ญบารมีไปเรื่อยๆจนกว่าบุญบารมีจะมีกําลังเต็ม ที่ที่จะช่วยทำให้พระพุทธเจ้าตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พวกเราไม่ต้องบำเพ็ญบารณีแบบนั้นแล้วพวกเราเพียงแต่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองก็คือทำทานรักษาศีลแลวภาวนาะถ้าทำได้เราก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในชาตินี้เลยจึงขอฝากเรื่องของการ มาวัดมาใช้ชีวิตที่มีคุณค่าอย่างยิ่งให้เกิดคุณประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฟังเทศฟังธรรมแล้วปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่เพื่อผลอันเลิศอันประเสริฐที่จะตามาก็คือมรรคผลนิพพาน การเช่งสุดแห่งการเห็นว่าตายเกิดการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทระวสีวัตนารายและบุญกุศลที่ท่านได้นาบังเป็นกันในวันนี้ยงมเป็นเหตุเป็นตัดใจให้ท่านมีแตความสุดและความเจริญแขวง้างปลอดภัยจากทุกภยัย อันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเท